ธรรมบทแปลเรื่องพระละกุณทกะพัติยะเถระภาคที่7เรื่องที่หนึ่งเจพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ณพระเชตวันทรงปราบพระละกุณทกะพัติยะเถระรัฐพระธรมเตสนานิว่านะเตนะเตโรโหติ เยนสสะปะลิตังสิโรปะริปะโกวะโตตัสสะโมคะชินโนติวุจติยัมหิสัจจันจะธรรมโมจะอหิงสาสัญญมโมธโมสะเววันตมะโลทีโรโสเถโร ต, ติปะวุจติแปลว่าบุคคล ไม่ชื่อว่าเป็นเทระเพราะมีผมหงอกบนสีสษะผู้มีวัยแก่รอบแล้วนั้นเราเรียกว่าแก่เปล่าส่วนผู้ใดมีสัจจะธรรมะอหิงสาสัญญะและธรรมะผู้นั้นมีมนถินหันคายแล้วผู้มีปัญญาเรากล่าวว่าเป็นเทระตอน พวกภิกษุเห็นพระเทระเข้าใจว่าเป็นสามเณรความพิสดารว่าวันหนึ่งเมื่อพระเทระนั้นไปเฝ้าพระาศาสดาพอเดินออกมาภิกษุผู้อยู่ป่าประมาณส0สิบรูปมองเห็นท่านพอดีครั้นมาถึงที่เข้าเฝ้าถวายบังคมพระาศาสดาแล้วจึงได้นั่งอยู่ พระสัสดาทอดพระเนตรเห็นอุปนิสัยแห่งพระอรหัสต์ของภิกษุเหล่านั้นจึงตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายมีพระเทระองค์หนึ่งออกไปจากที่นี้พวกเธอเห็นหรือไม่พวกภิกษุข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกข้าพระองค์ไม่เห็นพระชกาา่ะพระสัสดาก็พวกเธอเห็นพระเทระรูปนั้น ไม่ใช่หรือพวกพิกษุพวกข้าพระองค์เห็นแต่สามเณรรูปหนึ่งพระเจ้าข้าพระศัสดาพิสุทั้งหลายนั่นไม่ใช่สามเณรหรอกนะนั่นเป็นพระเทระต่างหากพวกพิกษุแต่ว่าตัวของท่านเล็กมากพระเจ้าข้าพระศัสดาภิกษุทั้งหลายเราไม่เรียกว่าเทระเพราะ เพียงนั่งในลำดับที่ของพระเถระด้วยความเป็นคนแก่ผู้ใดแต่งตลอดสัจจะแล้วตั้งอยู่ในความเป็นผู้ไม่เบียดเบียนมหาชนผู้นั้นชื่อว่าเป็นเถระแล้วจึงได้ตรัสพระกาถาเหล่านี้ว่าบุคคลไม่ชื่อว่าเป็นเทระเพียงเพราะมีผมหงอกบนสีสระผู้แก่งอมตามวัยนั้น เราเรียกว่าคนแก่เปล่าส่วนผู้ใดมีสัจจะอหิงสาธรรมะสัญญะและธรรมะผู้นั้นแหลคคายมนต์ถินได้ผู้มีปัญญาเรากล่าวว่าเทระบาลีว่านะเตนะเทโรโหติเยนัสสะปะลิตังสิโร ปริปโกวโยตัสสะโมคะชินโนติวุจติยัมฮิสัจจันจะธรรมโมจะอหิงสาสัญญโมถโมสะเววันตมโลทีโรโสเทโรติปะวุจติในบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าปริปโก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 ว่าบุคคลใดมีสัจจะทั้งสี่เพราะแทงตลอดด้วยอาการสิบกและมีโลกุตรธรรมเก้าอย่างเพราะทำให้แจ้งด้วยยานคำว่าอาหิงสาหมายความว่าไม่เบียดเบียนยกมาเป็นเพียงหัวข้อคือรวมถึงมีอปปัมบัญญาภาวนาสี่อย่างด้วยคำว่าสั ญ, ญโม และธโมคือสัญญมะและธรมะได้แก่ศีลและอินทรสังวรคำว่าวันตะมะโลแปลว่าผู้คายมนมทินได้ได้แก่มีมนมทินอันนำออกแล้วด้วยมัขยานคำว่าทีโรแปลว่าผู้มีปัญญาได้แก่สมบูรณ์ด้วยปัญญา